บุ๊ก <Book> 2 94นาวัดูช่อร์คำสันธานหนึ่งฮารูเฟรัปเยจรอจนฝนหยุดก่อนซาบคุณทบอรอนมุเธดาเตฟชาดรอจนผมเสร็จก่อน ซาบุคนทอมันโครมทามอมชาบัดรอจนกว่าเขาจะกลับมาซาบุคนทออูแบดยาดผมรอจนกว่าผมจะแห้งมันซาบุมีโครมทอมูฮอยามโคชชาบผมรอจนกว่าหนังจะจบมันซาบุมีโครมทอฟิล์มทามชาบัด ผมรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันทราบมีคน ر ر นำทอเชรอไรอหน้าสซาบสชาตคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่โทโเคเบโมโซเฟรมีราบีก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือพีช่ชาสตาติลเทอเบสตานีใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม بله พีชอันคิดถ้า ت ุทิล่าท์ทอเบสตันิชรูชวนสมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มพีชอันคิดเซมิสตั ش ชรูชวัสัฟรอถ้ามีคนล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะพีชอาอันคิดเซรามิซเบนชินีด้าสทอยารอบชปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก پیش از آنکه خارج شوید، پنجره را ببند. کن جاگل بان مهرای کهی به خانمیایی. لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ ل د لغ ل لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ ل ه لغ ل ا لغ لغ لغ لغ ل د لغ لغ ل که غ لغ لغ لغ ت غ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ لغ ل เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป بعد از این که او تصادف کرد دیگر ن ت و ا ن س ห کار کند หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา بعد از این که او کارش را از دست داد به ด م ر ی ک ا رفت หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ริ่มรวยบัดดัสอิงเคอูไปอเมริ